นะโมตัะพุทตอรหัตโสัมมาสัมพุทธะนะโมตัะพุทตอรหัตโธสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพุทตอรหะตโสัมมาสัมพุทธะอะระติวิระติปาปา มัจฉะปานาจะสัญญมูติอิมัสสะธรรมะปริยายัสะอัโทสาทายสมันเตหิสกจังธรรมโสต บ, บูตีณ <c oughs> บัดนี้อัตมาจะได้แสดงธรรมมีคาาพันลณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจ้า เพื่อจะได้เป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของท่านทั้งหลายที่ได้มีความตั้งใจปฏิบัติในพระพุทธศาสนาการปฏิบัติพระพุทธศาสนานั้นก็เพื่อประโยชน์แก่ตัวของเราเองเพราะว่าตัวของเรานี้ถ้าหากว่า มีบุญมากมากเราก็สามารถไปสู่สวรรค์นิพพานถ้าเราบุญยังไม่มากเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังมีความสุขนี่เรียกว่าบุญส่วนบาปนั้นเมื่อใครทำมากมากเขา้าเวลาตายไปแล้วก็เกิดความทุกข์ยังต้องไปสู่นรก ยังต้องไปเป็นเปรตอสุรกายยังต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแม้ว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยเศษผลของบาปก็นำมาให้อายุสั้นเลวพลันหรือไม่มีที่อยู่ไม่มีที่รับประทานเดือดร้อนลำคาญด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้น การสร้างบุญกุศลแม้จะได้รับความลำบากเราก็ควรกระทำการลำบากหรือการสร้างบุญกุศลนั้นผู้ที่มีศรัทธาถือว่าไม่ใช่สิ่งลำบากสิ่งลำบากที่เราพากันสร้างบาปเช่นการกินน้ำเมาอย่างนี้ เมื่อกินน้ำเมาลงไปแล้วหรือเรียกว่าดื่มสุรายาเสพติดเมื่อกระทำเช่นนั้นลงไปมันก็ลำบากและยิ่งลำบากหนักยิ่งขึ้นไปเกิดเป็นโรคเป็นภยัยเกิดเสียสติวิปริตเกิดเป็นโรคตับแข็งเกิดเป็นสิ่งที่ไม่มีใครนับหน้าถือตา หรือเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดเกิดเสียความเป็นมนุษย์ไปแล้ว <c oughs> อย่างนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำความลำบากทำลำบากแต่ว่าเกิดความบาปหรือเรียกว่าเกิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นในตัวของเรา แต่การทำลำบากมาสร้างบุญกุศลด้วยความยากลำบากนั้นย่อมเป็นสิ่งเจือจุนอุดหนุนให้ตัวของเหล่านี้จเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นพิญโยภาวะยิ่งยิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติได้ทั้งสวรรค์สมบัติได้ทั้งนิพพานสมบัติ มีพี่น้องอยู่สองคนทำสวนอ้อยในสมัยครั้งตะโนนการทำอ้อยนั้นไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหีบเมื่อตัดโคนแล้วก็ถือไปเมื่อตัดปลายน้ำก็จะไหลโจกออกมาเลยสองพี่น้องเมื่อทำสวนอ้อยวันหนึ่งน้องชายจึงได้ไป สวนอ้อยแล้วก็ตัดอ้อยมาสองลำลำหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ตนอีกลำหนึ่งนั่นเพื่อพี่ชายเมื่อมาถึงกลางทางพบพระประเจกพุทธเจ้ามีศรัทธาคนนั้นจึงได้ถวายอ้อยการถวายอ้อยก็ตัดปลายอ้อยน้ำก็ไหลโจกลงไปในบาท แล้วก็อันนี้เป็นส่วนการทำบุญให้แก่ตนแล้วก็ทำบุญให้กะพี่ชายก็เอาส่วนของพี่ชายนั้นใส่บาตรของพระปเจกพุทธเจ้านั้นด้วยเมื่อน้องชายได้ถวายน้ำอ้อยแล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอให้ขพไปเจ้าได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเถิดเมื่อกลับไปถึงบ้านก็จึงพี่ชายถามว่าอ้อยไปไหนเล่าน้องชายบอกว่าส่วนของพี่ได้ถวายท่านพระระเจกกะพุทธเจ้าไปแล้วพี่ชายจึงถามน้องชายว่าเมื่อเธอได้ถวายนั้นเธอได้อธิษฐานว่าอย่างไร น้องชายบอกว่าอธิษฐานว่าขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเถิดส่วนพี่ชายจึงบอกว่าเราไม่ต้องการเช่นนั้นหรอกเราต้องการพ้นทุกข์เร็วๆไม่ต้องการอยากได้สมบัติอย่างอื่นพราะฉะนั้นเราจะขออธิษฐานต่อพระประเจกโพธิพุทธเจ้าว่า ขอให้ขระพเจ้าได้เห็นธรรมอันพระผู้เป็นเจ้าได้เห็นแล้วนั่นเถิดทั้งสองพี่น้องหลังจากที่ได้ละจากโลกนั่นไปแล้วฝ่ายพี่ชายก็เกิดไปอีกหนึ่งชาติแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอาราหันต์ส่วนน้องชายเกิดพบพระพุทธเจ้านั่น ด้วยตนเองที่อธิษฐานถึงมนุษย์สมบัติจึงได้เป็นขะหะบดีมีเงินทองมากมายได้สร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าทรงพระนามวากัสปะแล้วเมื่อวันฉลองนั้นขะหะบดีได้นำทับทิมหนึ่งเม็ดเม็ดนั้นโตเท่ากันกับผลสม้ม เรีย ก, กว่าเม็ดใหญ่ราคาหลายลอยล้านเอาไปติดกันเทศวันฉลองกุฏิในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้นมีขโมยคนหนึ่งจ้องเข้าไปแกล้งทําไปนั่งฟังเทศกับเขาเหมือนกันแต่ตัวก็ขยับเข้าไปหากันเทศขยับเข้าขยับเข้าในที่สุดก็ขยับถึงกัน เทศพอดีทางฝ่ายเศรษฐีหลับตาฟังเทศอยู่ก็ลืมตาขึ้นเพราะได้ยินเสียงกรอกแกรกมองเห็นคนนั้นกำลังที่จะเอามือฉวยเอาทัพทิมเม็ดนั้นอยู่แล้วทันใดนั้นพระพุทธเจ้าเหลือบมองเห็นขะหะบดีจึงกระพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนขะหะบดี ท่านยังเสียดายทับทิมเม็ดนั้นอยู่หรือพระคาหบดีก็บอกว่าผมเสียดายเพราะว่าผมอยากจะถวายพระพุทธเจ้าแต่ว่าโจรมันกําลังจะเอาพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการทําบุญทานอย่าไปเสียดายเลยใครจะเอาก็ให้เขาเอาไปเถิดขมโมยนั้นก็ได้ขมโมยเอาก็เลยถือเอาซึ่งหน้า ถือทัพทิมเม็ดนั้นออกไปขหะบดีนั้นจึงได้ตั้งจิตเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความตรน่หรือเกิดความหวงแหนหรือเกิดความเสียดายยอมเสียสละเช่นนั้นและเศรษฐีนั้นขหะบดีผู้นั้นก็ได้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเรานี้ แล้วก็ได้มาเกิดเป็นเศรษฐีชื่อว่าโชติยะเศรษฐีโชติยะเศรษฐีนั้นมีปราสาทที่ผุดขึ้นจากดินเป็นปราสาททับทิมในปราสาทนั้นไม่ต้องใช้แสงไฟแม้ประการทั้งปวงเพราะว่าทับทิมนั้นได้แผ่แสงออกไปดุจกังวัน และยังมีภรรยาที่ชื่อว่านางแก้วมาอยู่ด้วยเธอมาจากแนวทิศที่เรียกว่าทำบุญร่วมกันนางนั้นก็เป็นผู้ที่มีความสวยงามระดับประดาด้วยทับทิมทั้งสิน้นเวลาจะเดินทางไปไหนอาหารที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นในปราศาทตร โดยที่ไม่ต้องไปซื้อหามาจากที่อื่นการที่เจ้าหุงต้มในประสาทนั้นไม่ต้องใช้ไฟมีเตาพิเศษเกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นเพียงเพื่อเอาอาหารเพียงเอาอาหารวางไว้บนเตาก็จะสุกทันทีตามความประสงค์นี่เรียกว่ามนุษย์สมบัติที่กะหะบดีนั้นอธิฐาน เมื่อพระเจ้าอาชาติสัตรูผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในนครราชคลได้เห็นสมบัติของโชติยะเศรษฐีนั้นจึงมีความอิจฉาอยากจะได้ยกกองทหารไปถึงเข้าไปยึดเพื่อที่จะเอาปราสาททัพทิมแต่ว่าทหารทั้งหมดนับเป็นจำนวนพันจำนวน หลายหลายพันคนไม่สามารถที่จะยึดได้เพราะว่าปรากฏเห็นทาหารอยู่ข้างหน้าตนนั้นมากมายเลือเกินจึงได้ถอยทัพวันหนึ่งโชติยะเศรษฐีจึงได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าอาเจ้าอาชาติสัตรตูก็ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าด้วยหลังจากเทศจบแล้ว พระเจ้าอาชาติสัตรูจึงถามโชติญาเศรษฐีต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดเธอจึงเลี้ยงทหารไว้เยอะนักเวลาเราเข้าไปยึดปราสาททัพทิมแล้วทำไมจึงไม่แะจึงมีทหารมาสู้รบกับเราเธอจะเป็นผู้ช่วงชิงแราชบัลลังก์ของเรากันนั้นหรือ ชดิติยาเศรษฐีจึงตอบว่าข้าพระองค์ไม่ได้ทรงไม่ได้คิดเช่นนั้นอันนี้เกิดขึ้นจากบุญที่เกิดขึ้นจากเที่ข้าพระองค์ได้กระทําไว้แล้วแต่อดีตชาติผลจึงได้เกิดขึ้นมาเช่นนี้พระพุทธเจ้าก็รับรองคําพูดของท่านเศรษฐีคือโชดติยาเศรษฐีโชดติยาเศรษฐีจึงได้พูดบอกว่า สมบัติของข้าพเจ้านั้นถ้าข้าพเจ้าไม่ยอมยกให้ใครแล้วต่อให้มีกองทัพนับไม่ถ้วนก็ไม่สามารถเทจะมาเอาสมบัติของข้าพเจ้าได้อย่าว่าแต่สิ่งอื่นไกลเลยแหวนที่อยู่ในนิ้วของข้าพเจ้านี้ถ้าข้าพเจ้าบอกว่าไม่ให้ใครเท่านั้นก็ไม่มีใครสามารถจะถอดได้ พระเจ้าอาชาติสัตรูจึงต้องการอยากจะทดลองทดลองว่าจะเป็นความจริงหรือแหวนที่หัวแหวนที่โชติยาเศรษฐีสวมใส่นั่นราคานับจำนวนหลายล้อยล้านเพราะว่าหัวแหวนที่ใส่ลงไปนั้นมีรัศมีออกเป็นประดุจจะเปลวเพลิงพระเจ้าพระ โชติยเศรษฐีจึงยื่นนิ้วมือให้แก่พระเจ้าอาชาติศัตรูว่าขอพระองค์จงลองมาดึงเอาเทดพระเจ้าอาชาติศัตรูใช้กำลังทั้งหมดดึงจากนิ้วของโชติยเศรษฐีนั้นไม่มีวันออกแต่เมื่อโชดิยเศรษฐีบกวกขอถวายพระราชาเท่านั้นเองคร แหวนอันนั้นก็หลุดออกไปให้แก่พระเจ้าอาชาติศตรูชติยาเศรษฐีเห็นดังนั้นเกิดความละอายแก่ใจแล้วก็เกิดความสลดใจจึงได้สละสมบัติทั้งพวงแล้วก็ขอบรรพชากับองค์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโชติยาเศรษฐี ปฏิบัติธรรมะได้บรรลุเป็นพระอาราหันต์ในเวลาต่อมาเพราะฉะนั้นทั้งสองพี่น้องจึงได้ผลต่างกันส่วนพี่นั่นก็ได้สําเร็จก่อนน้องไป แ, แล้วชั่วพุทธันดรหนึ่งส่วนน้องนั้นอธิฐานขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็ต้องช้ามาอีกพุทธันดรหนึ่ง ก็หมายความว่าชาไมา่อีกชั่วพระพุทธเจ้าตัสรู้องค์หนึ่งความดีทั้งหลายที่ได้กระทำกันนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทำแล้วก็แล้วไปแต่ว่าทำแล้วก็ต้องกลับมาเป็นของเรานั้นเป็นสิ่งแน่นอนเราสร้างบุญกุศลแม้แต่ในปัจจุบันชาตินี้ เราก็ยังสามารถที่จะให้มีความสุขเกิดขึ้นในตัวของเรามากมมยมหาศาลผู้ที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายหรือเรียวกว่าผู้มีความฉลาดทั้งหลายจึงได้ขวนขวายแต่การบุญการกุศลเท่านั้นในชีวิตเพราะเหตุว่าการสร้างบุญกุศลนั้นเท่ากับ ว, ว่า เป็นการสะสมอบรมหรือสะสมให้มากขึ้นการสะสมให้มากขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ตัวของเราทุกท่านทั้งหลายจะต้องได้ได้สำเนียกหรือได้คิดคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องทำเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าเราทำเท่านี้ก็ถือว่าเป็นการพอ พระเราจะต้องกระทำอีกมากมายเหลือเกินกว่าแต่ที่เราจะเข้าสู่พระนิพพานนั้นเราต้องทำอีกมากด้วยเหตุนี้ในแต่ละวันละเดือนละปีของท่านภูมิเป็นเมธีชนหรือว่าบุคคลผู้มีปัญญาจึงได้สะสมความดีเหล่านี้ไว้ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรที่เรียวกว่าเป็นความดีความซื่อสัตย์ความตั้งอยู่ในศีลถือว่าเป็นความดีถือว่าเป็นบุญการสีสละความสุขของตนเพื่อแบ่งปันบุคคลผู้อื่นก็ถือว่าเป็นบุญหรือเราทำงานให้แก่สาธารณประโยชน์ก็เป็นบุญเช่น การสร้างถนนหนทางหรือการสร้างโรงเรียนการสร้างโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการเสียสละหรือเป็นบุญกุศลทั้งสิน้นในขณะใดที่เรามองเห็นสัตว์กำลังจะตายเราช่วยเหลือให้มันรอดพ้นจากความตายนั่นเขาเรียกว่าให้ชีวิตเป็นทาน เราท่านทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสว่าอัปมาเดนะสัมปาเดถาติท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคําว่าไม่ประมาทนั่นคือไม่ประมาทในวัยทั้งสามจะเป็นปสมวัยก็ไม่ประมาทมัดจิมอวัยก็ไม่ประมาทปัดฉิมอวัยก็ไม่ประมาทเราเป็นเด็ก การตายไม่ใช่ว่าจะตายแต่ผู้ใหญ่เด็กก็ตายได้เหมือนกันเป็นเด็กนั้นไม่ประมาทก็เป็นผู้ีทมีศีลเป็นผูท้ที่มีการทำบุญทานการกุศลเป็นต้นในมัดชิมอวัยคือในกลางๆคนนี้เราก็ไม่ประมาทสแสวงหาศีลให้แก่ตนสแสวงหาสมาธิให้แก่ตน สแสวงหาด้วยการทำบุญทานการกุศลในปัจฉิมวัยคือตอนแก่เราก็ไม่ประมาทจำศีลภาวนาปฏิบัติความดีต่างๆเรื่อยไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ประมาทในวัยทั้งสามการที่เกิดความประมาท น, นพระอะไร เกิดความประมาทพระตัวของตนเข้าใจตัวเองผิดนึกว่าตัวของเรานี้เป็นตัวของเราแท้จริงหลงไหลอ ย, อยู่ในตัวของเราหลงรู ป, ปรธรรมอยู่ในตัวของเรานั้นหนักหนาลืมการทำบุญทานการกุศลเสียสิน้นเท่าความที่ตนเป็นผู้ลืมตนนั่น เข้าใจว่าเรานี้ไม่แก่เข้าใจว่าเรานี้ไม่ตายก็เลยไม่ได้ทำบุญกุศลกับเขาอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ประมาทและการที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจของเราได้เพราะการที่ไม่ควบไม่สามารถควบคุมจิตใจได้นี่เอง ที่ทำให้บุคคลต่างๆต้องไปสร้างความชั่วร้ายด้วยประการต่าง ๆ, างๆการที่เราจะควบคุมจิตใจของเราได้นั้นอาศัยการทาสมาธิเมื่อทำสมาธิมากเข้าแล้วนี่ก็สามารถควบคุมใจของเราไม่ให้ใจของเราเปินหมายความว่าเปินไป เในทางความฟุ้งซ่านเป็นไปใ น, ในทางที่ไร้สาระประโยชน์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการควบคุมจิตใจนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะให้ชีวิตของเราเดินทางไปสู่ทางที่ถูกต้องถ้าหากว่าเราได้สามารถควบคุมจิตใจของเราได้แล้ว ชีวิตเราเสมอต้นเสมอปลายบุญกุศลที่ตนทรรมก็ย่อมได้ได้เพื่อที่จะมาเป็นที่พึ่งหรือบันดาลให้เราได้ประสบผลสำเร็จนานับประการผู้ที่ควบคุมจิตใจไม่ได้นีบางทีมีเงินมากๆกก็ยังเป็นคนประพฤติเสียหาย มากต่อมากก็มียกตัวอย่างเช่นลูกสาวของเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีคนนั้นสวยมากมีนามว่าสุนทรีนางเป๊บทางฝ่ายพ่อแม่ก็หวงลูกสาวน่าดูไม่ปล่อยให้ออกไปเดินเพ่นผ่านที่ไหน ขังเอาไว้อยู่บนปราสาทชั้นที่เจ็ดไม่ต้องไปเห็นใครต่อใครลูกสาวที่ชิวสุนทรีนั้นก็มีความคับแค้นใจมากในเมื่อตนต้องถูกจำกัดสถานที่อยู่มาวันหนึ่งเห็นผู้ชายคนหนึ่งลูกร่างกำยำแล้วก็มีหน้าตาหน้าหน้าตา มีร่างกายที่เรียกว่าสมบูรณ์มากพวกพวกทหารพวกตำรวจกำลังจับเอาผู้ชายคนนั้นไปเพราะไปปล้นเข้ามาเมื่อเดินผ่านมาถึงหน้าต่างสุนทรีก็มองเห็นเมื่อมองเห็นเกิดความรักใคร่โจนนั่นเหลือประมาณ ในขณะที่ตำรวจเขากำลังเอาไปเพื่อประหารชีวิตสุนทรีก็เริ่มบอกกับบิดามาันดาว่าถ้าหากว่าไม่ได้โจรคนนั้นมาเป็นสามีแล้วฉันจะฆ่าตัวตายวันนี้แม้ว่าบิดามาันดาจะพยายามว่ากล่าวตักเตือนเพียงใดก็ตาม นางก็ไม่ยอมอ่อนข้อทุกประการในการเรียกร้องจนกระทั่งในที่สุดเศรษฐีจึงได้ไปถ่ายเอาโจรนั้นออกมาเพื่อให้เป็นสามีของลูกสาวในที่สุดสองคนได้แต่งงานกันเป็นสามีภรรยาธรรมดาว่าโจร มันก็ต้องเป็นโจรวันยังคำ่ำแม้มันจะมาเป็นลูกเขยเศรษฐีมีเงินนับไม่ถ้วนมันก็ยังคิดอยากจะเที่ยวจะเตรเหมือนแต่อดีตที่มันเคยเป็นมามันจึงบอกว่ามันคิดจะเอาเงินแล้วก็ไปเที่ยวมันจึงได้บอกพนันรยาบอกว่า นี่ฉันได้บนบานสารกล่าวไว้ที่ในที่แห่งหนึ่งเราจะไปบนบานสารกล่าวนั้นแล้วเราจะได้พ้นจากการเรียกว่าพ้นจากการบนบานนั้นแต่การบนบานต้องเอาเครื่องแต่งตัวไปนับไม่ถ้วนเชี่ยวใส่เพชรนิ่งจินดาไปให้เต็มตัวซึ่งโจร์นนั่นคิดว่าเมื่อไปถึง ที่เราหลอกลวงไปแล้วเราก็จะฆ่าเมียเราเสียแล้วก็จะเอาเพชรนินจินดานี่ไปขายกินเหล้าให้มันสนุกในที่สุดสุนทรีก็เสียท่า เ, เสียท่าโจรแต่งตัวเสร็จแล้วก็เดินตามโจรไปในที่แห่งหนึ่งในที่นั่นก็คือเหวทิ้งโจรถ้าหากว่าผลักตกลงไปนั่นก็เรียกว่าตาย เมื่อไปถึงโจนก็ได้แสดงท่าทีของโจนออกมาชักมีดดาบออกมาเสร็จแล้วก็บอกว่าข่าพาเธอมานี่ข้าต้องการจะฆ่าข่าทิ้งหมายความว่าต้องการจเจ้าเครื่องแต่งตัวไปกินเหล้าเพราะฉะนั้นเธอเตรียมตัวตายได้แล้วแต่ก่อนจะตายเนี่ยแกต้องแก้เครื่องแต่งตัวออกมาให้หมดกองไว้ สุนทรีก็ได้แก้เครื่องแต่งตัวออกมากองไว้ทั้งหมดพร้อมแล้วที่จะตายแต่ว่าถึงอย่างไรเราเองนั้นก็ชื่อว่าไม่ใช่เป็นคนไม่มีปัญญาเราก็มีปัญญาเหมือนกันเราจะต้องแก้ไขตัวของเราให้ได้นายจรจึงบอกว่า เวลานี้ถึงเวลาที่จะต้องตายแล้วเตรียมตัวตายได้แล้วว่าแล้วก็ชักมีดดาบออกเพื่อที่จะฟันศีรษะและของสุนทรีแต่สุนทรีก็บอกว่าตั้งแต่เราแต่งงานกันมานี้ฉันก็ยังไม่เคยร้องเพลงหรือยังไม่เคยรำฟ้อนอะไรเพื่อที่จะเป็นการฉลองการแต่งงาน เพราะฉะนั้นก่อนตายขอฟ้อนเจ้าก่อนนางสุนทรีก็จึงได้ฟอ้อนเพื่อลอบตัวของนายโจรนายโจรนั้นก็มองไปแล้วก็ถือดาบไปจนกระทั่งรอบที่หนึ่งรอบที่สองพอรอบที่สามโจรนั้นกำลังเผลอสุนทรีได้เอาเท้าถีบโจรนั้นตกลงไปเหวเรียกว่าตายเสร็จ เมื่อสุนทรีรู้ตัวว่าเราทำผิดจนคนนี้เราเป็นคนบอกให้พ่อของเราไปถ่ายมาแล้วเราก็มาฆ่ามันทิ้งเสียแล้วเราจะกลับไปดูหน้าพ่อแม่ได้อย่างไรนางจึงได้เที่ยวตุรัดตุเรไปเที่ยวบวชเป็นชีตามที่ต่างๆจนกระทั่งสามารถเรียนรู้ความรู้ต่างๆ สามารถที่จะไปเผยแพร่ศาสนาเดียรถีต่างๆได้ในที่สุดก็ไปต้อวาทีกับพระมหากัพระสารีบุตรก็ได้แผ่ภาษารีบุตรยอมบวชเป็นนางภิกษุณีในพระพุทธศาสนาในที่สุดเธอก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนานี้การควบคุมจิตใจของคนเราเนี้ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายนักบางทีมันก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาทําให้จิตใจของเราหรือว่ามาแนะนําให้จิตใจของเราหลงผิดบางคนแก่ๆก็หลงผิดบางคนเด็กๆ ก, ก็หลงผิดบางคนหนุ่มสาวก็ยิ่งหลงผิดกันใหญ่ก็เพราะเหตุที่ว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องกันกลอง ในใจของเรานี้ตามความเป็นจริงแล้วควรจะมีธรรมะเป็นเครื่องกลั่นกรองซะก่อนก่อนแต่ที่มันจะออกจากปากไปก่อนแต่ที่มือเท้าของเราจะทำงานจำเป็นที่จะต้องมีการกลั่นกรองออกไปเสียอย่างคนที่ไม่สามารถควบคุมจิตใจของตนได้นั่นมันกลั่นกรองไม่ไหวเดินเฉียดไหลกันไปหน่อยเดียวหน่อยแน่ มาเฉียดหลายกูทำไมเท่านั้นเองยิงเปี้ยงเดียวตายแล้วหรื อ, เ, อเดินไปหน่อยไอ้นี่เอารถขึ้นมาวิ่งบนฟุตบาทหน่อยแน่คนอื่นเขาเดินเท้าแกนี่เอารถขึ้นมาวิ่งทำไมโมโหขึ้นมายิงกันตายแล้วในที่สุดก็แม่ต้องไปเข้าคุกเข้าตารางคนตายก็ต้องเดือดร้อนพ่อแม่อะไรไป นี่ก็เป็นเรื่องของการที่ไม่รู้จักกลั่นกรองซะก่อนก่อนแต่ที่จะวาจาออกไปก่อนแต่ที่มือไม้จะออกไปจำเป็นที่จะกันต้องกลั่นกรองเมื่อเรากลั่นกรองได้แล้วนี่เราจะสามารถเลือกคัดจัดสรรให้เราก็ะทำความดีที่เรียวกว่ากา ย, ยสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตเป็นตน้น